นั่นประโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็อย่าขอนำพรหมิหารสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับพรหมิหารสีน่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้เพื่อแก่รมโทสะละพยาบาทด้วย อารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่อง